<c oughs> เราสวดอริยสัตว์แท้ที่จริงเราสวดเราสวดอริยสิทธิ์อริยสัตว์นี่มันเป็นส่วนอริยสัตว์มันมีทุก มีสมุทยัยมีนิโรธมีมรรคนีเราสวดเป็นเป็นอริยสัจอริยสัจ4แท้จริงอริยสัจ4ในขณะที่เราทํางานพิจารณากายมันก็เกี่ยวกับอริยสัจสีคือข้อแรกแล้วก็มันเกี่ยวกับอริยสัจ4คือข้อที่2องเราจะเห็นความสัมพันธ์ของมัน เกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐานเนี่ยในระหว่างที่เราพิจารณากายดูเราไล่ไปตั้งแต่การพิจารณากายพิจารณาเวทน า, นาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณากายก็คือเอาธรรมะไปใช้แล้วถ้าเราจะรู้จักสังเกตนะพิจารณาถักกายกายคืออะไรกายเป็นอะ ไ, ไม่แยกแยะ ก, กายสิดูกายอ่ก็เห็นตัวทุกข์ ในขณะเดียวกันเราจะต้องมาจับคู่กับสมุทยัยเราจะต้องมาจับคู่กับสมุทยัยทุกมันเป็นตัวผลเกิดเกิดขึ้นมาจากสมุ ท, ทัยท่านพูดถึงตัวทุกข์ท่านพูดท่านพูดถึงตัวทุกอายตนะภายในคือตัวทุกขตาคือตัวทุกหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข รูปเสียงเปลี่ยนรถโพธิทธรรมารมคือตัวทุกข์ตัณหาเมื่อเวลามันจะเกิดก็สายตาเกิดเมื่อสายเมื่อเกิดแล้วตั้งอยู่เป็นที่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นของตัณหานั้นเป็นเหตุให้ตั้งอยู่ของตัณหานั้นเอธะเอธะนั่นเอธะแล้วว่านั้นเอธะ เอตะมันเป็นภาษามันเป็นคำสัมพันธ์เอตทะแปลว่า น, นั้นเอเทซาตันหา่าตันหานั้นเนมื่อจะเกิดก็สายตาเกิดเมื่อจะเกิดก็สายรูปเกิดนี่เราพูดแบบสรุปนะทําให้เราเข้าใจเนื้อหาเข้าใจง่ายๆแต่เวลาเราไปสวดนะ่ะเป็นมันไล่เป็นอันเป็นอันเป็นอันเป็อันถ้าคนหัวสมองดีจําดีเนี่ยเนี่ยท่องคืนนี้ได้เลยนะ สมุทัยที่เราสวมกินท่องคืนนี้ได้เลยนะเพราะอะไรเพียงแต่เรามากําหนดจําว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นพธทธะธรรมารงและเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจตัณหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยตาเกิดอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยใจเกิดตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ก็อาศัยรูปเกิดอาศัยเสียงเกิดอาศัยกลิ่นเกิดอาศัยรสเกิดอาศัยสัมผัสเกิดและอาศัยธรรมารมเกิดอาศัยเวทนาเกิดจักขุสัมผัสสัชาเวทนาจักขุสัมผัสสัญชาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากตาสัมผัสรูป โสตสัมผัสเสชาเวทนาเวทนาอาศัยหูสัมผัสกับเสียงคานะสัมผัสเสชาเวทนาเวทนาคือความยินดีความหินร้นะอาศัยจมูกสัมผัสกับกลิ่นอาศัยลิ้นสัมผัสกับรสและอาศัยกายสัมผัสกับการกระทบผลิภัและอาศัยใจเกิด ขึ้นกับธรรมารมณ์พ่อเราจับทุกปับ๊บเราจะต้องไปจับคู่กับสมุทยัยทุกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือเป็นตัวทุกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณธรรมารมณ์นันนมันเป็นโคยจรของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจอันนี้เท่ากับว่าเป็นสูตรเลยลเป็นหลักสูตรและสูตรนี้เราไม่ต้องไปดูที่ไหนเราดูมาที่ตัวเราศึกษาเรื่องจริงของจริงเลยไม่ต้องไปดูในตัวอักษร ตัวหนังสือชอมาที่นี่พอเราสวดขึ้นมาก็ให้สิ่งเหล่านี้มันขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑธรรมารมณ์ให้มันเกิดขึ้นในของจริงที่เรามีอยู่เนี่ยพระเจ้าท่านไล่ท่านไล่ของจริงนะอย่าลืมว่าตัณหาเวลามันจะเกิดอาศัาายตาเกิดอาศัยตาเกิดอาศัยรูปเกิดอืมอาศัยหูเกิดอาศัยอาศัยหูเกิดอาศัยเสียงเกิดอาศัยจมูกเกิดอาศัย กิ่นเกิดอาศัยลิ้นเกิดและอาศัยรสเกิดอาศัยกายเกิดอาศัยการสัมผัสโพธารม์อาศัยทำโพธะคือการกระทบเกิดอาศัยใจเกิดและอาศัยธรรมารมเกิดอาศัยใจเกิดคือเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันพอเรานั่งหลับตาเนี่ยเรานั่งหลับตาเนี่ยน้อมนึกข้างในเกิดธรรมารมยินดีพอใจใน ในธรรมรมแต่ธรรมลมนั้นมันกวา้างถ้าเป็นตาถ้าเป็นตาถ้าเป็นตาก็เกี่ยวข้องกับรูรูปอารมณ์รูปรูปเป็นอารมณ์รูปเป็นอารมณ์ต า, าไม่ได้ดูนะแต่ว่ามันโลกกันแล้วอาศัยตาเคยเห็นท่านจึงว่าสัญญาสัญญ า, ญญาจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัส เรามาพยายามมาไล่นี่เดี๋ยวเราเร า, เราจะได้แตกฉานกันเลยเรามาไล่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราได้พิจรารณาเราพยายามท่องบทเหล่านี้ให้ได้มันจะเป็นการากระจายกระจายกองทุกขพอเราจับทุกปั๊บเราจะต้องจับมาที่สมุทยัยตัณหาเวลามันจะเกิดอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดอาศัยผัสสะเกิดอาศัยเวทนาเกิดอาศัยสัญญาเกิดอาศัยสังเกตนาเกิด อาศัยวิตกเกิดอาศัยวิจารณ์เกิดนี่เขาเรียกว่าปิยร uh ูปสาตรูปแปลว่าเป็นที between, ่รักเป็นที่ยินดีอะไรเป็นที่รักเป็นที่ยินดีตาเป็นที่รักเป็นที่ยินดีเขาเรียกว่าปิยรูปังสาตรูปังเป็นที่ยินดีเป็นที่รักใคร่เป็นที่ยินดีเขว่าเป็นที่เป็นที่เป็นที่แปลว่าเป็นบ่อเกิด แต่ถ้าหากใจไม่มีตัณหาแล้วสิ่งนั้นมันก็อยู่แบบเก้อเไม่อาศัยว่าเป็นบ่อให้เกิดตัณหารูปก็สักได้ว่าเป็นรูปเพราะฉะนั้นเรามาสัมผัสเรามาสัมผัสเรามาทดสอบตั้งแต่เรายังยังไม่ได้หมดตัณหานี่แหละสัมผัสในขณะปัจจุบันตัวที่ชะลอตัณหาตัดกระแสตัณหาได้คือตัวสติเราเห็นจักแต่ว่าเห็นตัณหาไม่เกิดเราเห็นปั๊บยินดีตัณหาเกิดเราเห็นปั๊บยินร้ายตัณหาเกิด เห็นไหมมันเริ่มหยุดมันเริ่มชังหักแล้วเราเริ่มชะลอมันอยู่แล้วล่วะเพราะฉะนั้นตัวสติตัวนี้หละจึงเป็นตัวตัดกระแสของตัณหาเราเอาสติเอาสัมผัจันญานี่แหละมาทำให้จิตของเราได้นเราความสงบสักก่อนเพราะจิตของเรามีความสงบตามชั้นตามภูมิที่ใครสามารถจะทําได้เสร็จแล้วค่อยมาพิจารณาพิจารณาพิจารณาตามเนี้อันนี้คือหลักคือสูงเลยนะที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ย อาศัยอายตนะภายในอายตนะภายนอกอา ย, อายตนะภายในภายใน6กตาหูจมูกนิ้วกายใหญ่อาศัยอายตนะภายนอก6รูปเพียงที่ลดตัวพธรรมรมอาศัยผัดสะคำว่าผัดสะก็คืออายตนะภายในมันไปกระทบกับอายตนะภายนอกจะเรียกว่าผัดสะเสร็จแล้วก็อาศัยเวทนาความยินดียินร้ายในนี้ท่านท่านว่าอะไรนะในนี้ อ, อุปัชมานาอุปัจติเมื่อจะเกิดเกิดจะเกิดที่ไหนกัตถะกัตถะแปลว่าที่ไหนเอดถะที่นั่นเอเทศาตันหา้าอุปัชมานาอุปัจติตตันหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้น ก็ย่อมเกิดขึ้นที่โพธพภะนั้นเห็นไหมตัณหานั้นเอตเทสะไม่ใช่เอตตะเอตตะนะไม่ใช่อันนี้เป็นศัพท์ของมันโดยเฉพาะเป็นมันเป็นศัพท์มันเป็นมันเป็นศัพท์ บ, บอกใกล้บอกไกลนี่นั่นนี้นั่น อ, อิทะอิทะนี่อีกทางนั้นเอทะเอทะนี่ อเอถานี่เอเอถานเออะรนนีน่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยมันเป็นบอกใกล้บอกไกลภาษาบาลีตัหานั้นเมื่อจะเกิดก็ใส่เนี่ยเราไปอ่านดูเร า, เร า, เ, ราเราจะเข้าใจทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าปิยรูปสาตูป ปีรูปสารรูปก็คืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6่อหกายตนะภายนาย 6, อกมันกระทบกันเป็นผัสสะแล้วก็เป็นเวทนาแล้วก็เป็นตัณหาเป็นสันเจิตนาแล้วก็เป็นวิตกวิตกคือความตรึกแล้วก็เป็นวิจารคือความตรองตัณหามันมันเป็นของละเอียดลึกซึ่งมันตรองสรุปลงแล้วก็คือ มันคอยจะเกิดกับกิริยาอาการของจิตทุกอย่างกิริย า, าการของจิตทั้งเมื่อจิตดวงนั้นยงังอมแปรด้วยตัณหาจิตจะแสดงกิริย า, าการไปเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกปลิ่นกับรสกับสัมผัสกับการนึกตรึกตรองอะไรอะไรก็แล้วแต่ตัณหาอาศัยสิ่งเหล่านั้นเกิดทั้งหมดเราศึกษาแล้วเราพยายามดูมาที่ของจริงมันจะเห็นศึกษาหเห็นมันเลยแหละให้เห็นเลยให้เห็นมันเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็ระวังตาตาวรูป เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดตัณหามันมีในใจแล้วเพราะมันสัมผัสปั๊บมันกเกิดมันเป็นเชื้อไฟทั้งนั้นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมรงเป็นเชื้อไฟเป็นเชื้อไฟไฟก็คือตัณหาพอตากระทบรูปปั๊บเหมือนหินกับเหล็กใช่ไหมหินกับเหล็กไฟแช็กสังเกตมหมยากหรือไม่ขีดนะีหรือไฟแช็ก อาหินกับเหล็กเนี่ยพอเราหมุนชักอามันเกิดสัมผัสตาสัมผัสรูปก็เหมือนกับไฟแช็กมันไปหมุนนั่นเชกเกิดประกาย น, นตัณหาเกิดเกิดตอนนั้นตัณหามันเกิดเกิดยินดีเกิดยินร้างอ่าถ้าเกิดเป็นไฟแช็กแบบที่เรากดอยู่เสร็จแล้วมันปล่อยแก๊สออกมาแล้วติดฟูนั่นอ่ะ แสดว่าตันหามันเกาะติดแล้วเป็นไฟแล้วตันหามันเกาะติดเกาะติดรูปตามตามไม่ได้กินไม่ได้นอนกอช่างคอยได้ตามรูปคอยได้รูปรูปนั้นรูปอะไรรูปหญิงรูปชายรูปอะไรที่มันชอบที่สุดนั้นคอยได้เรื่องกินเรื่องเล็กคอยได้คอยได้คอยได้เรามอความเหนียวเน่ยเพรมันนี่แหละคือคือนี่แหละคือต้นเหตุของกองทุก ที่ท่านพูดถึงพบท่านพูดถึงชาติท่านพูดถึงโสกปริเทวทุกขโทมนัสพูดถึงทุกของพ่อของแม่ของญาติของพี่ของเพื่อนของอะไรต่ออะไรนี่อันนี้เป็นปลายเหตุเป็นปลายเหตุทางนั้นแหละแต่เรามาด้วยให้เข้าใจให้ให้ใหศึกษาเอาไว้มันจะแตกกระจายไปหมดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะพาสวดบ่อยๆพาสวดเรื่องทุกขแล้วก็สมุทัยเนี่ยแล้วก็มีนิโรธแล้วก็มีมรรคอยู่ในนี้ ระยะสั้นสี่อันนี้เป็นเท่ากับเป็นสูเลยนะเราศึกษาสูตรเหล่านี้แล้วดูมาที่ใจของเราโอยแตกฉานเลยแตกฉานนิ่งกว่าพระใจพี่โดยแล้วเราแตกฉานด้วยเรารู้ที่เรรู้ที่เกิดข้ามันด้วยเรารู้ที่ดับข้ามันด้วยเรารู้ที่เกิดของตันหาเราอยู่ที่รู้ที่ตั้งอยู่ของตันหาและรู้วิธีระงับดับตันหาศึกษาจบ ใครหัวสมองนี่ท่องจําได้เลยมันมันมันจะเป็นสัญญาลงถือว่ามันเป็นธรรมมันสันเป็นสัญญาลงก็ตามถือว่ามันเป็นธรรมพอเราทําไปทําไปทําไปเหมือนอย่างเราสําคัญมั่นหมายว่ามีเหล็กไฟมีเหล็กแล้วก็มีหินเราสําคัญเราสําคัญว่าเรามีเหล็กเรามีหินเราพยายามเราพยายาม เราพยายามระวังเวลามันสัมผัสเวลาพยายามระมัดระวังเวลาสัมผัสตัวระวังตัวนี้ก็คือตัวสติตัวสัมมัญญาระวังไม่ให้ตัณหาคือไฟมันเกิดตัณหาคือไฟเราดีๆนี่เองราคะราคะราคะขไฟคือราคะโทสะขี้ไฟคือโทสะแต่พวกเราดูไม่ออกหรอกไฟไฟอะไรดูสิเวลามันร้อนมันร้อนอยี่ก็ไฟในเตานะตัณหาอะไรจะอยู่ ฆ่าแกงกันได้สบายๆเลยแนละลองดูที่เยือกำลังจะเข้าป่านะลองมีใครไปขวางนูตายเลยตายตายไปข้างหนึ่งน่ะไฟนั่นะฟืนไฟรู้จักไหมเพราะั้นเราสังเกตุคุณทิจักทนะ่านฉลาดน่ะท่านแสดงอธิษตานภรยาญาสูขกับพวกฉดินเพราะฉดินิบูชาไฟอะไรคือไฟ สิ่งเหล่านั้นมันมีโทษแค่นั้นเองไฟเหล่านั้นอะไรบูชาแล้ว อ, อะไรคือคุณอะไรคือโทษสักแต่ว่าบูช า, าเฉยเฉยแต่ว่าปราบบัณฑิตท่านดูเป็นปริศนานอกมาเพื่อทำเป็นปริศนาน้องมาเพื่อทำไฟที่แท้จริงอยู่ข้างในนี้มันร้อนสิ่งที่มันร้อนไฟไม่มีควันไฟไม่มีเปเลวนี่แหละร้อนยิ่งกว่าไฟที่มีควันมีเปเลว ความนึ้ความคิดเท่ากับเป็นควันเท่ากับเท่ากับว่าเป็นเปลวควันคุยคุยคุ ย, คยนึกนึกปรุงนึกอะไรสารพัดเนี่ยพอตันหามาสวมรอยปั๊บโอ้เป็นควันแล้วเลยเกิดตันหาเกิดราคะเกิดอะไรันยยับยังไม่อยู่โอยทั้งวันทั้งคืนกี่วันกี่คืนอดหลับอดนอนอดกินไม่สนหละอ่าอเราสังเกตดูหมาดนก้าวดูที่ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินไม่อะไรหูขีดหูฉีหูขาดปากปากัดสิบไม้ไฟพวกหทดตัวไม่สน <c oughs> เวลาไฟมันติดแล้วเราดูเถอะอันตรายมากก่อไฟนั่นละตัวตันหาดูเห็นไหมตันหาเราดูเห็นไหมพยายามย้อนมาดูที่ใจเพราะฉะนั้นเคยแนี้บ่อยๆเห็นรูปพยายามย้อนมาที่จิต ดูมัน ด, ดูใจของตัวเองเป็นปกติไหมชอบไหมชอบเป็นตัณหาช่างไหมช่างก็เป็นตัณหาดูยังไงดูอย่างมีสติเห็นมันจะสักเทว่าเห็นเห็นสักเทว่าเห็นระวังไม่ยินดีเกิดขึ้นไม่ยินร้ายเกิดขึ้นนี่เป็นสังวนรนิทาตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหามันเริ่มจะหมดไปจากการที่มันจะเกิดไม่ได้ เราจะต้องเริ่มปฏิบัติเพื่อสังววนสังวรไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดในเมื่อตัณหาใหม่ไม่เกิดแล้วในที่สุดไม่เกิดด้วยวิธีใดๆก็ตามโดยฌานด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยเรี่ยวแรงที่เราจะขบเขี่ยวความเพียรเท่าไหร่แล้วก็ตามตัณหาแม้ตัณหาใหม่ไม่เกิดตัณหาเก่ามันก็ต้องเร่าร้อนมันเริ่มร้อนละ ปัญหาเก่าวที่มันมีอยู่ภายในก็เริ่มร้อนเพราะอะไรเพราะตัญหาเก่าวมันก็มีอยู่ในใจตรงนี้แล้วมันเป็นเชื้ออยู่ดั่งเดิมเพื่อที่จะให้ตัญหาใหม่เกิดนะในเมื่อปัญหาใหม่ซึ่งมันคอยที่จะหาเหยื่อมาป้อนมันไม่เอาเหยื่อมาให้ไม่เอาเหยื่อมาให้ตัญหาข้างในมันก็เริ่มผอมลงผอมลงใจลงจจลงหมดกําลังลงหมดกําลังลงมันก็เริ่มไร้ร้อมก็เริ่มหมดเครีอดหมดแรง รานะสังกสปรทานจึงสาคัญมากเห็นจักแต่ว่าเห็นไม่ให้มันยินดีไม่ให้มันยินร้ายถ้ายินดีเกิดตันหาเกิดถ้ายินร้ายเกิดตันหาเกิดยินดีคือความรักยินร้ายคือความชั่งดูเฉยเฉพร้อมด้วยไครครวนพร้อมด้วยวิตตกตรึกนึกคิดในแง่ธรรมพร้อมด้วยวิจาร์ประคับประคอง วิตกวิจาร์ก็เบิกหมดตัะหาไปแล้ววิตกก็วิตกโดยควา ม, มชอบธรรมวิจารเขาวิจารโดยความชอบธรรมตาหูจมูเลินกายใจก็สักแต่ว่าเป็นที่รักเป็นที่ยินดีของโลกในโลกเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกแต่คนที่เข้าถึงธรรมแล้วก็ถือว่าเริ่มขยับออกจากโลกเริ่มขยับออกจากโลกจากโลกสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของโลก ชาวโลกยินดีปลอบใจกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้เข้าใจเรื่องสาเหตุต้นต่อที่เกิดรู้วิธีการเกิดมันเกิดยังไงมันอยู่ยังไงแล้วมันจะดับยังไงสาเหตุอะไรคือวิธีการเกิดนี่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะ้นเกิดประโยชน์มากเกิดประโยชน์ในการที่เราจะมาขัดเกลาจะทําให้เราไม่หลงทางสุดๆจะทําให้เราภาวนาแบบเห็นหลักเห็นเกณฑ์นในจิตตัวเราเองดับความทุกข์ได้หยุดจุดร้อนๆในหัวใจของเรา ไม่ต้องไปหลงละเมอเพื่อพบว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรทายใจตัวเองได้เลยรักษาอยู่นี้ไปต่อเนื่องตัญหาใหม่ไม่มันเกิดตัญหาเก่ามันไม่มีตัญหาใหม่มาป้อนให้แล้วปัญหาเก่ามันก็เริ่มเรา่าร้อนะหัวไม้หัวไม้เง่าไม้ที่เราฟันจากบนออกมันอยู่แตงเง่าข้างล่าง ฟันเรือฟันเรือยฟันเ ร, อนเรืออย่าคิด อ, อย่าคิดว่ามันจะไม่เน่าไปถึงข้างในของข้างล่าง frequently........... ส่วนในข้างล่างเดี๋ยวก็ตายหมดตายหมดทั้งเนา่าขึ้นมาเหล่าฟันขึ้นมาเหล่าฟันขึ้นมาเหว่าฟันขึ้นมาเหล่าฟันข้างล่างจะเริ่มเล่าร้อนล้เพราะเราไม่ปล่โอกาให้มันเกิดขึ้นมันเพราะเชื้อชาติเผ่าพันเข้ามันไม่มันจะเริมขึ้นไม่ให้อาหารหมันในซุ้มก็ตาย มันมีตัวมีตนอยู่ข้างในไม่ให้อาหารมันเพราะอะไรเพราะมันอยู่มันก anyway> ็อยู่ในใจตรงนี้มันเกิดก็เกิดในใจดวงนี้มันเป็นอนุใสชั้นละเอียดมันก็อยู่ในใจดวงนี้มันไม่อยู่ที่ไหนดูมาที่ใจดวงเดียวอย่าไปคิดว่าใจเป็นร้อยๆดวงเหมือนอย่างที่หลักอภิธรรมเขาพูดเลยอันนั้นเขาเรียกกิริยาอาการว่าเป็นดวงเป็นดวงแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็คืออาการแต่ละอย่าง าากิเลสสามารถเกิดขึ้นได้ทุกกิริยาการของจิตกิเลสนะสามารถเกิดขึ้นได้ตัณหาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกกิริยาการของจิตเราดูกิริยาในนี้ที่ทํามะไล่ตาหูจมกูกลิ้นกายาาใจกิเลสตัณหาเกิดได้หมดแต่ถ้าเรารู้จักเราเข้าใจเราระ ง, งับที่เดียวระ ง, งับเรื่องเดียวหยุดหมดชะลอหมดมันยังไม่ตายมันดิ้นได้ค่อยๆหยุดค่อยๆชะลอค่อยๆหยุดค่อยๆชะลอค่อยๆ ค่อยๆค่อยๆตอนมันค่อยๆทำหมันมันตอนเพืิอเพลินเพลิดเพลิทำหมันเพเิดเพลิทำหมันไปเิดเพลินฟันมันเรื่อยเผาอยู่บนเงาไปน่ะเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยโดยต่อป่ามันเหือดมันแห้งเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งฟอขึ้นไม่ได้นล้วตอนนี้นี่เราเห็นเราเห็นเราเราเห็นที่ท um> ี่ที่เป็นเหตุให้เราวิจารณาที่จิตของเราที่กายของเรา เราจะพิจารณาเกี่ยวเรื่องกายกระเทือนถึงเรื่องปัญหากายเวทนากายเวทนาจิตอันนี้คือทุกขังอริยสัจจ์เราพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตกระเทือนถึงกระเทือนถึงสมุทโธอรยิยสัจจ์ทุกครั้งกระเทือนถึงทุกครั้งเพราะสมุทโธนี้มันไปกับจิต เราเอาจิตพิจารณาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตที่ท่านให้เราศึกษาเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตแต่ตัวงานชิ้นสําคัญที่จะทําให้เรารู้จักไม่อยู่ที่ธรรมกายเวทนาจิตธรรมอิสระกุติธรรมเราดูที่ครูบาอาจารย์บรณอาจารย์ท่านจัดแยกแยๆมาให้พวกเราศึกษาได้เป็นอย่างนี้พิจารณากายก็คือพิจารณาทุกพิจารณาเวทนาคือพิจารณากองทุก พิจารณาจิตก็คือจิตที่ยังมีกิเลสอยู่คือจิตที่มีกองทุกข์แต่มันก็สัมพันธ์มาที่สมุทัยคือตัณหาสัมพันธ์ทุกครั้งเลยถ้าเราไม่ได้ระมัดระวังมันเกิดทุกครั้งเวทนาเกิดขึ้นกับตัณหาเกิดขึ้นตาเห็นรูปตัณหาก็เกิดขึ้นจมูกเล่นกายใดได้สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายนอกเขามันเกิดตัณหาเกิดตัณหาเกิดตัณหา เวลามันจะเกิดอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดเวลา well, มันอยู่มันก็อาศัย ส, สิ่งเหล่านี้อยู่รัตา่างอยู่มือริดกายใจนี่แหละเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกนี่แหละเป็นที่รักเป็นที่ยินดีเราอย่าไปคิดว่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ยินดีแท้ที่จริงมันมีเ<ม>ชืช้ออยู่มีเชืช้อคือตัณหานี่เองคําว่าเป็นที่เป็นที่มันยังไม่สาเร็จรูปอันนี้เป็นที่ยินดีแต่ว่าผู้ยินดีมีอยู่แต่ไม่ใช่คนนี้ ตาเป็นที่ยินดีแต่ผู้ยินดีไม่ใช่ตา ร, รูปเป็นที่ยินดีแต่ผู้ยินดีไม่ใช่รูปเรื่ออะไรให้ต่อยหูเป็นที่ยินดีเสียงเป็นที่ยินดีแต่ผู้ยินดีไม่ใช่หูไม่ใช่เสียงจมูกเป็นที่ยินดีกลิ่นเป็นที่ยินดีแต่ผู้ยินดี ไม่ใช่จมูกไม่ใช่กลิ่นลิ้นเป็นที่ยินดีรสเป็นที่ยินดีแต่ผู้ยินดีไม่ใช่ลิ้นไม่ใช่รสกายเป็นที่ยินดีการสัมผัสเป็นที่ยินดีกฎภพกฎฐานการสัมผัสคําว่าสัมผัสกายสัมผัสหมายว่ากายมันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอนะ กายมันสัมผัสมันสัมผัสเย็ยนร้อนอ่ อ, อนแข็งนิ่มอ่ อ, อนนิ่มแข็งก็นั่งอะไรอะไรเนี่ยนี่คือการสัมผัสกายสัมผัสคือประสาทสัมผัสคำว่ า, ากายในที่หมายถึงกายประสาทสัมผัสไม่ใช่กายทั้งดุนมันก็สัมผัสกายทั้งดุลเลยก็มาสัมพันธ์กันไปหมดเัยนี่เราพิจารณากายในกายก็คือเราพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั น, นะคือกายในกาย เวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมธรรมในธรรมานุปัสสนาจิตในจิตตานุปัสสนาเวทนาในเวทนานุปัสสนากายกายในในเวทนานุปัสสนาพิจารณาเห็นกายในกายเนื้อเนื้อข้อเข้ามันคือกายเนื้อข้อเข้ามานั่นคือเวทนาเนื้อหัวข้อเข้ามานั่คือจิตหัวข้อเข้ามันก็คือธรรมพิจารณาเห็นธรรมในข้อธรรมนั้นๆ เราก็หมดจะไปตีทําในทำคืออะไรน้อทําในทำคืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไรเลยมองข้ามไปหมดพิจารณาเห็นธรรมตามหัวข้อที่ท่านตั้งประเด็นเอาไว้เนะนี่คือเรานี่คือธรรมแต่เราจะได้แยกกายในกายนอกมันก็ยังพอแยกได้กายในก็คือกายเรากายนอกคือกายเขามันก็ยังพอพูดได้อันนี้ผู้คิดก็คิดได้เองเราไม่ต้องไปคิดว่า กายโกายนีกายเทวนากายอะไรคือกายนอกทั้งหมดอกายไหนคือกายเรานอกจากนั้นแล้วยังมีกายที่เป็นรูปยังมีกายที่เป็นกายทิพย์กายทิพย์บางทีกบางคนก็เอาสัญญานี่แหละไปเป็นกายทิพย์สัญญาว่าโนโนภาพอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นน่นกายทิพย์ก็ว่าไปสุ่มไปดาวไปไอสิ่งที่เราไม่มีไม่มีความสามารถที่จะไปสัมผัสสัมพันธ์ได้ พยายามอธิบายอยู่นั่นแหละแล้วก็คนหูหนวกตาบอดคนไปรู้ไปเห็นพยายามอธิบายคนหูหนวกหูหนวกตาบอดฟังก็เลยไม่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องกันมันออกเกินไปสำหรับผู้มีตามีหมูด้วยกันเหมือนกันพูดกันเข้าใจกันแต่เราเรียนตามหลักอันนี้นี่ถ้าศีรษะสายอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ภาษาธรรธมะในใจมันเข้าใจ เราฟังแต่ประวัติของไว้หลางไว้หลังไว้หลา ง, ง, งอ่านหนังสือไม่ได้นะแต่เวลาเวลาเข้าสวดเข้าสวดภาษาของเขาเนี่ยแต่มันสวดเป็นเหมือนอย่างเราสวดภาษาไทยเนี่ยอ้าวมันเข้าใจนะมันก็ใจธรรมะเกิดรูเลยนคนสวดยังไม่ได้อะไรนะแต่คนฟังเนี่ยรู้ธรรมะมันรู้คือนึ่งหัวใจตัวเพื่นเองเพื่นไม่ได้หนังสืออแต่มองเห็นทำอะธรมธรมะเกิดในใจแล้วเวลาไปเขียนสโล เวลาไปเขียส โ, สโลกเขไปปฏิเสธสโลกของของอะไรนะขินชาวไปปฏิเสธสโลกของขินชาวขินชาวเขาบอกว่ากายนี้เหมือนต้นโพจิตของเราเหมือนกระจกเราอันใสสะอาดเราต้องพยายามเช็ดกีฝุ่นทุลีละออไให้มันตกมันตกเพื่อทําให้ฝุ่นทุลีละอ้อเนี่ยมันไปนทําให้ปิดบังเงา ขมงกรจบน่นแลนะท่านม่รามองเห็นไม่ชัดใ้ตัวเองพยายามเช็ดเพื่อให้ฝุ่นทลีละอองลงไปเกาะไปจอบเงาที่ใสสะอาดความหมายข้างบนท่านเราจะเทียบก็คือการดังเนินมัดแต่ไวรั่งท่านเข้าใจสรุปผู้พ่วหมดแล้วเพราะเขาเข้าถึงทำขั้นหนึ่งทังท่านเวลาท่านเขียนสโลปท่านเขียนไม่เป็นตัวสือนะ่อเน่ยท่านบอกช่วยเขียนให้เราด้วยช่วยเขียนให้เราว่า นะไม่มีต้นโพปฏิเสธเลยนะไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาที่ใสสะอาดในเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าที่ฝุ่นจะจะรองเกาะอะไรมาฟังหน่อยสิฝุ่นจะลองเกาะอะไรตัวอะไรมันตัวมันไปรองรับว่ากายเราเหมือนต้นโพจิตเราเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาดตัวอะไรมันไปรองรับเอาไว้ เรารู้ว่าคืออะไรที่เราอธิบายผ่านมานี้คือตัวอะไรตัณหาเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นอัตตาตัวตนก็เกิดขึ้นทิฏฐิมานะก็เกิดขึ้นสักกายทิฏฐิ ก, ก็เกิดขึ้นทิฏฐิมานะเกิดขึ้นตัวตนก็เกิดขึ้นนี่แหละอัตตาอนัตตามันโผล่ขึ้นมากับสัญญาอารมณ์ในส่วนที่เป็นตัณหาเหล่านี้แหละพวกเรารู้ที่ไปรู้ที่มาใครหัวดหงิดก็ไปท่องเอาไว้ แล้วก็ใครขี้เกียจท่องจํำก็มาดูความแปลเข้าใจโอ้คำถามเกิดนี้โอ้คถามเกิดนหลับตาแล้วก็นึกมาดูของจริงหลักตาแล้วก็นึกมาดูของจริงหลับตาแล้วก็นึกมาดูของจริงเราศึกษาแบบนี้เราได้ประโยชน์กดร้อนๆเลยนะวันนี้พอสมควรเก่เวลาอพอสมควรเกิเวลาแล้วไปตั้งใจรำเพลีไปใครจะอยู่ครึ่งคืนใครจะอยตลอดคืนก็แล้วแต่ ออวันนี้เลยคุยกับอุปชายะอุปชายยะยันหวังเนี่ท่านจะบวชได้วันที่30นะวันที่30นี้เป็นวันพระนะหน้าเราทันไหมที่30เนี่ยทันไหมฮะเฮ้ยวันที่30เป็นไปฝึกให้ได้วันที่30ชั้นเสร็จแล้วบวช ราบอกอุปชายะแล้วอุปชายะใช้ยาสุพัทสุพัทโดสุพัโดนามะสุพัโทนามะวันที่และอุโบสถวันไหนวันวันที่สามสิบว่าอุโบสถอุโสถวันที่เท่าไหร่ที่หนึ่งอุโบสถที่หนึ่งใช่ไหมวันที่สามสิบวันพระแต่มันไม่ใช่วันปฏิโมกนะวันวันปาฏิโมกวันที่หนึ่งวันที่สิบเรา เตรียมเอาไว้รเราจะให้เตรียมตัวไว้นะไปบอกผู้ปกครองไว้เพราะเราบวชระบวชเราฉันเสร็จบวชก็เผื่อผู้ปกครองที่อยู่ไกลจะมานอนตอนค่ำวันที่29 ก, ก็ได้ตอนเช้ามาก็จะไม่ต้องวุ่นวายเดือดร้อนเดี๋ยวเรียกวิ่งกุรีกุยจอ่อหมดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาอันตรายนะไปฝึกไปฐานอะไรให้มันคล่องเข้า อเออไปเออเอเอใครบอกมาว่าหลวงพ่ออ้าองเขาอยากให้เราไปวันที่เท่าไร่เราไปวันที่27ได้ไหมวันเสาร์เนี่ยฮ<ด>ะ<ด>ใครเนาะบอกหลังมาก่<ด>อนฮะไปที่องไ ป, ไปย อ, องอไปเมือ่อวานอีกมีอย่างให้กินนะ อ็ในวันที่ยี่สิบเก้านะวันที่ยี่สิบเจ็ดถ้าเกิดเราไปเราเพราะอ้างนี่จะต้องมีรองธานไปช่วยคนอีกวันที่ยี่บเก้าที่โรงพยาบาลวันที่ยี่บเก้าทอประป่าใหญ่หอพิบาลสองตึกสองอาจารย์อินสันตุสโกร์ุดอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เกียรติช่วยบอกรองธานด้วย ลรงทานยังไม่เต็มนะอิ่มพอไม่ได้ทำไปจนหมดเจ้าของอดสบายกว่าอดให้ขาดใจตายลองดู <c oughs> <c oughs> มีอะไรทงทานให้หมดเจ้าของอดสบายกว่าเอาเลิกกัน ใครกินจ้าเนี่ย